ท่านฟังที่กรบค่ะนี่คือรายการสัสนสนิษฐานนะคะดิฉันสันนิษฐานาคพงเป็นผู้ดำเนินรายการเราก็มาถึงช่วงสองแล้วค่ะช่วงสองนี้จะมีพระเพรบุญอภิปุนโนนะคะแห่งวัดป่าดอนหายโศจังหวัดอุดรธา น, นีเป็นผู้มาให้ธรรมะกับทุกท่านทั้งหลายในลักษณะที่เราเรียกว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยปุถวจนะค่ะกราบน้ำส ก, การค่ะท่ะานคะเตมพานในขณะที่ดิฉันบันทึกรายการกับท่านเนี่ยดิฉันก็ได้อ่านประวัติของท่านอดีตสอสคนดังของภาคอีสาน จงหัศีสเกตคนหนึ่งนะคะท่านเป็นผู้ที่บวชเรียนนานด้วยจบปริญญาเอกแล้วก็จบที่อินเดียนะคะที่มหาวิทยาลัยปูเน่แล้วก็ยังไงล่ะเคยเป็นพระที่เป็นพระอาจารย์ที่มจรอยอเคยเป็นข้าราชการข่าวกรองทหาร และอยู่กลมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ประกาศข่าววิทยุและโทรทัศน์ช่องสิบเอ็ดท่านผู้นี้คือท่านกุเทพสายกระจา่างดิฉันขอเอ่ยถึงท่านด้วยความเคารพอย่างสูงเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมาก เ, าเก่งจริงๆเลยรอบด้านนะคะเรื่องภาษาประเสริฐนี่ท่านเก่งเก่งเรื่องธรรมะ ก, ก็เก่งมากการเป็นนักการเมืองท่านก็ทําหน้าที่ได้ดีแต่วันนี้ท่านก็เป็นไปตาม ธรรมชาติของมนุษย์นะคะก็คือเสียชีวิตแล้วอ oh. ด้วยโรคมะเรง็ง hmm. อืมที่ฉันเออถึงท่านนี่ก็เอยด้วยความเคารพเลยเพราะว่าตั้งใจจะไปเยี่ยมไข้ก็ไม่ได้ไปแล้วก็เนี่ยค่ะมีเพื่อนทีฉันคนนึงก็โทรมาอกอู oh. ้รู้ไหมด็อกเตอร์กูเทพเสียชีวิตแล้วนะแล้ว hmm. บอกเออทราบแล้วแต่ว่าเนี่ยจะไปเยี่ยมเขาก็ไม่ได้ไปเพื่อนที่ฉันคนนี้ก็พูดมบอกว่ า, วาเนี่ยสนิทกันนะเนี่ยเสียใจมาก เพราะว่าก่อนหน้านี้คิดถึง hmm. แล้วก็ไม่ได้ไปหาดูซิเนี่ยพออีกทีนึงก็จากกันไปเลยค่ะเอดดิฉันเคยเล่าให้ท่านฟังหรือยังคะว่าดิฉันมีเพื่อนในมุสลิมค่ะอยู่ดีๆก็มีเพื่อนโทรมาบอกว่าเขาเสียชีวิต oh. แล้วจากการที่เราเคยเห็นหน้ากันอยู่บ่อยๆเราไม่เห็นหน้ากันอีกแล้วเพราะว่าดิฉันรู้ช้า hmm. เกินยี่สบสี่ชั่วโมงเขาฝังศพไปแล้ว เป็นคนเก่งอีกเหมือนกันนะคะผู้ชายหนุ่มยังมีความสามารถบุคลิกภาพเนี่ยดูหนุ่มกว่ายุจริงเยอะค่ะแต่ก็หัวใจวายเฉียบพลันค่ะอันนี้ก็ผู้ช้าก็ได้เตือนไว้คือหมายถึงสาหรับคนที่มีชีวิตอยู่ก่อนนะคือคนคนที่ตายก็คือตายไปแล้วใช่ไหมเรามาพูดถึงคนที่มีชีวิตอยู่ก่อนแต่ถ้าในกรณีของคนที่เราไม่รู้จักเลย อย่างเราขับรถยนต์ผ่านไปผ่านมารถติดเนี่ยคุณผ่านวัดเนี่ยเห็นเขามีจัดงานศพแล้วเฮ้ยเราไม่เห็นแครไม่เห็นสนใจอะไรเลยนะเพราะว่านั่นเราไม่รู้จักใช่ไหมอย่างย่งคนที่เราไม่รู้จักเลยอ่ะเขาจะไปเผาไปฝังไปทํำยังไงเราไม่เห็นสนใจนะเพราะว่าเราไม่มีความเป็นตัวตนของเราในในสิ่งนั้นนะแต่ถ้าเป็นเราเป็นคนที่เรารู้จักนะจะเป็นคนบุคคลที่มีชื่อเสียงตายอย่างกระฐานันในกรณีเนี้ยแต่เรารู้สึกถึงว่าเฮ้ยมัน โอ้โหมันไม่เที่ยงจริงนะมีความกระตือนใจถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนี้นะคุณโยมติว๋วค่ะโอ้ยอาตมาต้องบอกเลยว่าดีมากมากแล้วนะเพราะว่าเราเห็นความสลดสังเวชค่ะแ้วเราเห็นความสลดสังเวชคุณเห็นความสลดสังเวชเห็นคุณเห็นความไม่เที่ยงใช่ไหมในตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยนะเนี่ยโอ้โหคุณเป็นโสดาปฏิมาขะ น, นะค่ะคุณเดินอยู่บนเส้นทางของความเป็นโสดาบัลละนะนะคือพอถ้าเป็นอย่างนี้แล้วคุณจะเพิ่งตายนะถ้าคุณยังไม่ได้เป็นโสดาปฏิพล น, นะ เป็นได้ขนาดนั้นเลยนะเพราะว่าเวลาที่เราเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยถ้าเราน้อมเข้ามาสู่ตัวคุณหย่มติวน้อมเข้ามาสู่ตัวว่าแม้เราก็จะไม่ร่วงพ้นจากความเป็นอย่างนี้เราสักวันหนึ่งเราจะต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนแต่เราเราจะเห็นความกระแสนแจ้งขึ้นมาโอ้แม่มันตัวเราก็เป็นได้นะเราจะต้องไม่ประมาทถ้าเรามีความตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแล้วนั่นแหละถูกละสําเร็จประโยชน์ละค่ะ ทีนี้บางคนเนี่ยก็อาจจะระลึกรู้ทำนองนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ก็มีความเชื่อตัวเองตั้งอยู่บนความให้ประมาทแต่ชีวิตเนี่ยมันยุ่งมากมทํางานจนไม่มีเวลาพักเลียงเข้าใจว่าอย่างกับเพื่อนินัที่เสียชีวิตเฉียบพลันเนี่ยคงทํางานหนักเกินไปจนสุขภาพมันรับไม่ไหวะนะคะชทีนี้มองรอบตัวแม้กระทั่งตัว เ, เองบางครั้งเราก็โอ๊ยตายแล้ว นี่ก็อยู่ในจุดเสี่ยงเหมือนกันนะคือทำงานกันอย่างเดียวทั้งนั้นเลยแล้วก็ไม่ได้คิดถึงอะไรข้างหน้ามากนักนอกจากว่าทำงานทำงานแล้วก็ทำงานให้มันเสร็จมีให้เลือกสามทางเป็นทำงานทั้งสามทางค่ะอย่างเงี้ยค่ะพูดถึงถ้ามีใครที่ฟังในการธรรมะนี้อยู่มีธรรมะของพระพุทธองค์ที่คิดว่าจะต้องให้กับ ท่านทั้งหลายเหล่านั้นและดิฉันด้วยไหมคะเอ่อคือเราพูดถึงถึงปัญหาก่อนนะคุณจมเตีปัญหาก็คือว่าเราทํางานมากนะจนกระทั่งว่าถ้าเราเพลินไปหรือว่าเราเครียดไปในงานเราเพลินทําเพลินไปอย่างเงี้ยนะั่คือลักษณะของความเครียดอาจจะแปลงเป็นความเครียดได้อาจจะแปลงเป็นความผูกผูกพันยึดติดก็ได้นะในสถาบัานหรือในอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะตรงนี้คือถือว่าเราเพลินละนะเพลินนที่นี้คือความประมาทคุณตั้งอยู่ในความประมาทละ ทีนี้สุดโตยออข้างหนึ่งก็คือว่าถ้า ง, งั้นฉันไม่ทําฉันเลิกฉันโยนทิ้งหมดฉันหนีไปบวชฉันไม่สนใจใครอันนั้นสุดโตยออข้างละคุณยังไม่เข้าใจต่อมานะนะคือไม่ใช่ว่าคุณหยุดไปเลยหรือคุณไม่ทํางานเลยไม่ใช่นะแต่เราจะทําไงให้เราทํางานแล้วเราไม่ประมาทนะคือการไม่ประมาทนี้ไม่ใช่ว่าเลิกทํางานนะนะแต่ถ้ารทํางานด้วยความเพลินทํางานด้วยความลุ่มหลงทํางานด้วยความเครียดนั่นคือคุณประมาทนะวิธีที่จะทํางานให้ไม่ประมาททํำยังไง นะอันดับแรกก่อนนะคือคืองานเนี่ยนะคุณโยมติว๋วพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างชัดเจนเลยนะว่า เ, เราจะต้องทํางานอย่างเต็มความสามารถคุณต้องทํางานด้วยความเพียรคุณต้องทํางานด้วยใจรักคุณต้องทํางานด้วยความที่มีการพัฒนาตนมีการคิดสร้างสรรค์อยู่อย่างต่อเนื่องนี่คือเป็นลนักษณะของอิทธิบาทสีใช่ไหมค่ะถ้าเรามีอิทธิบาทสีอยู่ในงานที่เราท น, นั่นคือคุณปฏิบัติธรรมะละคุณไม่ประมาทละนะแล้วคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะ คือคนที่เอาธรรมะเข้าไปในงานนี่นะคุณโยมติวประสิทธิภาพของงานเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าคุณไม่เครียดนะพอเราไม่เครียดจิตใจของเราไม่ภะวะาพะวังไม่ถูกดึงถูลูถูกล ก, ถกลางไปตามสิ่งต่างๆมากระทบเราจะมีกําลังในการที่จะโฟกัสในการที่จะพุ่งหรือเพ่งเฉพาะในการที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มันสําเร็จนะทีนี้ไอ้อุปสรรคที่มันจะมัคอยขัดขวางในคุณโยมติว๋วมันมีตรงที่ว่า อย่างเวลาเราทํางานเนี่ยเราบางครั้งเราไม่สามารถเลือกผัสสะที่มันจะมาเกิดขึ้นได้ใช่ไหมทีนี้พอมีผัสสะต่างมากระทบแล้วเนี่ยเราต่างหากจะควบคุมจิตของเราย่างไรไม่ให้ไหลไปตามผัสสะเนะีเช่นคนดา่าเช่นโทรศัพท์มาเช่นคนนั้นมาหาคนนี้เรียกไปที่นี่ขอโทษชวนไปกินข้าวอะไรต่างๆเนี่ยมันอีลงตุงนางวุ่นวายไปหมดนะเราจึงต้องมีการสํารวมอินทรีย์คุณโยมเตีวสํารวมอินทรีย์ การสำรวมอนะินทรีย์เนี่ยคือการคอยระวังปิดกั้นไอ้เจ้าตาหูจ ม, มูกลิ้นกายใจของเรานะสิ่งไม่ดีไม่เอาไม่สนไม่ทำไม่ยุ่งนะสิ่งดีๆที่เกี่ยวกับงานทำรับรู้พิจารณาตัดสินใจนะแล้วผ่านไปนะปล่อยวางได้ด้วยนะนี่คือสิ่งเราต้องสำรวมอินทรีย์ทำงี้จะสำรวมอินทรีย์มันต้องทำได้ยังไงคุณชมเตียวคุณจะต้องมีสติสัมปชัญญนะเราถึงจะสำรวมอินทรีย์ได้เราต้องคอยฝึกสตนะิต้องรู้วมไายใจอยู่บ้าง นั่นคือลมหายใจเนี่ยในระหว่างวันเนี่ยเราก็คอยทยอยรู้มันได้นะเหมือนอย่างบ้านเราเนี่ยนะคุณยมติว๋ว <artz. S 1> คุณยมติ๋วทํางานเสร็จก็กลับบ้านใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปทํางานใหม่เดี๋ยว ing, ไปเที่ยวต่างประเทศเที่ยวต่าง <c oughs> จังหวัดก็เดี๋ยวกลับมาบ้านเนี่ยคุณเจ้าให้เอาลมหายใจเนี่ยเป็นเหมือนบ้านเดี๋ยวเราไปคิดเดี๋ยวเราไปคุย <c oughs> เดี๋ยวเราไปพูดเดี๋ยวเราไปอ่านเอ้าวลมหายใจออกไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวก็กลับมาที่ลมหายใจอันนี่คือสติสัมปชัญญะทีนี้คนที่จะมีสติสัมปชัญญะได้เนี่ย ในเหตุของการที่จะมามีสติสัมปชัญญะเนี่ยพระเจ้าพูดถึงการทําสุจริตสอย่างคือกายสุจริตวจีสุจริตมนโนสุจริตนะเพราะเรารทําสุจริต3อย่างนี้แล้วเนี่ยจะทําให้คุณมามีสติสัมปชัญญะได้มีสติสัมปชัญญะคุณจะสามารถที่จะสมรู้มรร์ได้สมรู้มรีย์ได้คุณชื่อว่าไม่อยู่ในความไม่ประมาทอยู่ในความไม่ประมาทเพราะอยู่ในความไม่ประมาทแล้วประสิทธิภาพของงานเพิ่มนะไม่เครียดทํางานได้อย่างดีแฮนเดิลทุกอย่างได้อย่างนี้นะจุดเริ่มมันอยู่ตรงที่ว่าเรามีกาย วา่าใจบริสุทธิ์ไหมนะเราต้องทํสามอย่างนี้จะมีกายวา่าใจบริสุทธิ์ได้คุณต้องมีศรัทธาในคำสอนพะุทธเจ้านะมีความมั่นใะจเขาชวนไปโกงเขาชวนไปโกหกเขาชวนไปเล่นเขาชวไปเที่ยวเฮ้ยเราไม่ไปหรอกเราไม่ว่างแตเราก็ไม่ได้ไม่ไปทางนั้นนะเราก็จะทรงตัวอยู่ให้อยู่ในกายวา่าใจที่เป็นสุจริตตายสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะไหลกันเป็นเหมือนกับ เ อ, อาน้ําตกเนี่ยนะไหลมาจาก <c oughs> ไปเรื่อยๆ อ, อย่างนี้แหละทีนี้ที่อย่างปล่ารบกับท่านเมื่อวันก่อนบอว่าโอ้ยมันรถติดนานเลยเกินพอรถติดนานๆ น, น, นี่ทํายังไงดีนะคะรู้ล<า>มายใจที่เป็นมนุษย์งานทั้งหลายใช่รู้ลมหมยใจคือคือเรารู้ลมหมยใจไปเลยเนใช้เวลารถติดใช้เวลารอลิฟต์ใช้เวลา <c oughs> รอประชุมใช้เวลาลอรลาล อ, รลาลอคนอื่นเนี่ยรู้ลมหมใจไปเลยเราเราฝึกสติเดียวนั้นเลยเนีมีกี่น้าที่คุณใช้เวลาตรงนั้นเลยเนะีหรือในช่วงเวลาที่รถติดอย่างเงี้ย เราฝึกจิตด้วยกระบวนการที่นอกจากมีสติแล้วยังเอาเปิดฟังธรรมะแทนะที่จะเปิดเพลงฟังเราฟังธรรมะของครูบาอาจารย์องค์ไหนก็ได้พุทธวจนะก็ได้ใครก็ได้ที่เรามีศรัทธานะฟังเราให้จิตเรามันอยู่ในสภาวะที่เยืองเย็นอยู่ในสภาวะที่เป็นอุเบกขาอยู่ในสภาวะที่อ่อนโยนอ่อนนุ่มควรแก่การงานอย่างเงี้ยนะนี่เป็นการเขาเรียกว่าให้อาหารจิตนะคือเราพักผ่อนตั้งแต่ยังเรายังไม่ถึงบ้านเลยดีด้วยนะนี่คือพักผ่อนทางใจด้วยอ วันนี้ก็ได้หลายอย่างเลยนะคะเนี่ย <c ười> คืออย่างน้อยก็ได้รู้ว่าชีวิตมันไม่เที่ยงฟังเรื่องชีวิตคนอื่นอย่าลืมหันกลับมามองชีวิตเราเองยังคิดว่าในระหว่างทางนอกจากทั้งเรื่องอการปฏิบัติตนอย่างที่ท่านพิมน์บุญได้เมตตาให้ความรู้แล้วการที่จะดูแลเรื่องกายนี่มันก็สำคัญกันนะคะท่านโอแ น, น, น่นอนแน่นอนอสุขภาพเนี่ยของคนทางานหนักเนี่ยต้องดูแลกันบ้าง ในขณะที่ดิฉันพูดกับท่านฟังเนี่ยดิฉันพูดกับตัวเองด้วยนะคะเพราะดิฉันเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยวลนเราพูดอะไรเนี่ยจะมีเรื่องของตัวเองปนอยู่ไม่มากก็น้อยซ <laughs> ะเป็นส่วนใหญ่เพราะมนุษย์ก็ยังอยู่ภายใต้กฎของพระพุทธเจ้าค่ะมนุษย์ยังเป็นพวกอัตตาสูงใช่ะหมคะ <c oughs> อย่ดิฉันพูดี่ถูกไหมคะค <c oughs> ือเราก็ต้องคอยคอยเนี่ยมันมีความยึดอย่างเงี้ยตั้งแต่แรก <c oughs> ใช่ตั้งแต่เกิดมาคือหมายถึงการโฆษณาครับเราต้องคอยฝึกจิตไงพี่ยมติ๋ว ท่านเคยเห็นไหมคะภาพโฆษณาสินค้าแบบแม่และเด็กเนี่ยค่ะก็จะเป็นภาพเด็กตัวนี้น้อยเนี่ยเขาเอามือเขาอะเล็กๆเนี่ยกำไปที่นิ้วของคุณแม่ดิฉันเห็นภาพนี้ไม่รู้นะอาจจะเป็นเพราะใกล้เรื่องธรรมะธรมโมมากไปหรือเปล่าไม่ทราบดิฉันนึกถึงว่ามนุษย์เกิดมาในยึดทันทีเลยน่เนี่ยใช่ใช่นะคะค่ะแต่ที่แน่การทาบุญการให้ทานเป็นเรื่องของการสลัออกใช่ เป็นองค์ประกอบที่ทําให้เรานั่งสมาธิได้เร็วด้วยมีส่วนถูกต้องนะคะแล้วก็ดิฉันกำลังจะเลี้ยวมาเนี่ยแหละคะ่ะเพราะว่าอยากจะตอบแทนในสิ่งที่พระคุณเจ้าได้เมตตาให้กับรายการของเราไม่เพียงแต่พระสงค์ที่มาที่นี่เท่านั้นนะคะท่านเจ้าวาดของประสงค์ที่นี่ก็เมตตาดิฉันมากและเมตตาท่านทั้งหลายมากอย่างกับของวัดป่าดอนไหสุดอธานีเนี่ยคะ่ะท่านไปบุญอยู่ไกล ถึงอุดรดิฉันก็เลยจำเป็นที่จะต้องมาบอกแล้วก็เผื่อท่านจะทําบุญแต่จริงพระสงฆ์ไม่ได้เป็นผู้ประกาศนะคะดิฉันต้องบอกก่อนว่าดิฉันกราบขอท่านเองเพื่อที่จะให้สะดวกสําหรับคนยุคใหม่ที่จะทําบุญก็แล้วแต่ศรัทธาของท่านถ้าท่านทำดิฉันก็อนุโมทนาด้วยและกันนะค ะ, ะเป็นการทอดกรถิ่นที่จะเกิดขึ้นในวันที่11เดเดือน11นี้ใครไปได้ก็ไปนะคะอยู่ที่น้องหาร ไปไม่ยากใช่ไหมคะท่านพิบูนคะเราไม่ยากสาสิบกิโลจากอุดรธา น, นีค่ะส่วนท่านใดไม่สะดวกเนี่ยนะคะเราก็มีเบอร์บัญชีที่จะมอบให้ท่านก็คือบัญชีชื่อวัดป่าดอนหายโศกเลยนะคะธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรบิ๊กซีเบอร์บัญชีก็เก้าห้าศูนย์แล้วก็ขีดศูนย์ขีดศูนย์สี่สี่เจ็ดสี่และ ขีดเก้าก่อนอนุโมทนาทุกท่านท่านเปบูยัองอยู่ในสายเลยดิฉันเลยขออนุญาตที่จะกราบนมัส ก, การของพระคุณที่มาให้ธรรมะเราในวันนี้ตอนนี้เลยนะคะเรียบนบาลนบาลักการก์ท่านคะท่านฝังที่ครรอคะในส่วนรายการของเราเราก็ยังได้รับความเมตตาจากพระภิกษุอีกรูปในตอนต้นที่นำท่านปฏิบัติธรรมก็คื อ, คอพระมารชาพะวโรท่านก็อยู่วัดนาปพงนะคะอยู่ลาลูกกาคลองสิบปทุมธานี ที่นี่จะทอดกระถินเร็วกว่าวัดป่าดอนไฮโซหนึ่งสัปดาห์ถือทอดในวันที่4รีรพฤศติกายนเป็นฤดูกาลนะคะหลังเข้าพรรษาเดือนเดียวที่เขาจะทำบุญที่เรียกว่าเป็นกระถินคือถวายผ้าให้กับพระสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์ขอใครไม่ได้นะคะโยมต้องไปถวายก็จัดงานกันไปแล้วแต่ถิ่นแล้วแต่ที่อย่างกับที่กรุงเทพเนี่ยก็อาจจะไปออที่ปทุมเนี่ยอาจจะไปง่ายหน่อยนะคะสหรับวัด นาป่าพงลำลูกกาคลองสิทธิ์เพียงแต่ท่านไปทางเส้นลำลูกกาเนะคะพอข้ามคลองสิทธิ์ปุ๊บเลี้ยวซ้ายเข้าไปก็ถึงวัดจะอยู่ทางขวามือไปรับหนังสือที่ท่านครึกฤทธิ์ได้มอบให้กับพวกเราเป็นประจําหนังสือผู้ทวงจนะที่นั่นโดยตรงเลยก็ได้หรือว่าท่านจะหมุนมาที่0ูนย์สองสหกเศูนี้ก็ได้นะคะแต่เนื่องจากว่าทางนั้นเนี่ยทางวัด น, นาป่าพงได้มอบเพียงแต่ เบอร์โทรศัพท์ของโยมอุปถาที่ท่านจะติดต่อเพื่อถามถึงเรื่องของการที่จะทำบุญดิฉันก็ขออนุ ญ, ญาตที่จะให้เบอร์ของคุณสรชาชนะคะในรายการนี้ให้ท่านโทรไปถามก็แล้วกันว่ารายละเอียดของการทำบุญนั้นเป็นอย่างไรที่หมายเลขโทรศัพท์0815131611 0815131611 นี่เช่นเดียวกันนะคะดังันก็ขออนุญาตที่จะประชาสัามพันธ์ให้ท่านเองประสงค์ไม่ได้บอกไม่ให้โยมทำนะคะวันนี้เราคงจะลารายการกันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อ น, นะค่ะแล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะพุทว่สวัสดีค่ะ